ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัญนาตสีนานาตวจุรทุกขคันทสูตรในหน้า135ข้อ209เป็นต้นการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราสังเกตบ้างเนี่ยนะก็จาเป็นการแสดงที่ไม่พ้นไปจากมัชฌิมาปฏิปทาปฏิเสธการมัุขัลิกานุโยก ปฏิเสธอตตะกิละมัานุโยคที่ปฏิเสธการมสุขลิยะลิกานุโยคที่ประกอบตนให้มีความสุขในกามทั้งหลายซึ่งไม่ดีในตอนปลายแต่ว่าอาจจะเป็นความสุขในตอนต้นอย่างที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะสมทานบางอย่างสุขในปัจจุบันแต่ทุกต่อต่อไปไลละอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเช่นกามมัศุขทั้งหลายนี่เป็นอย่างนั้น มีความสุขในเบื้องต้นมีความเพลิดเพลินยินดีในตอนแรกแต่ว่านำมาซึ่งทุกโทษพิษภัยนี่นะนำมาซึ่งภาระอันหาที่สุดไม่ได้ในตอนท้ายอันนี้อันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็คือการมาสุขะอัตตกิระมัานุโยกการประกอบตนให้ลำบากการทำตัวทตนให้เดือดร้อนเป็นไปในมิจฉาปฏิปทาเป็นไปในข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดเหมือนอย่างว่า ผู้ที่เดินทางไปในทางครุขครัและก็ไม่ใช่เป็นทางที่มีเป้าหมายด้วยเป็นการเดินทางที่ผิดพลาดเป็นการเดินที่ไม่ถูกทางเป็นการเดินหนทางที่ไม่ดีด้วยและก็ผิดทางด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าไม่มีประโยชน์ไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขที่แท้จริงในบ้านปลายตรงกันข้ามกับลักษณะในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนานั้นสอนข้อปฏิบัติสายกลางนะ ข้อปฏิบัติที่พระองค์สอนนั้นบางครั้งเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัตินั้นเป็นทุกข์ก็จริงแต่ว่าให้ผลเป็นสุขต่ อ, ต, อต่อไปไอ้ที่ทุกข์เนี่ยไม่ได้ทุกข์เพราะคําสอนแต่ที่ทุกข์ก็เพราะว่ากิเลส ข, ของตัวเองเนี่ยมันมีกําลังในระหว่างการเจริญกุศลธรรมอกุศลก็เข้ามาแทรกเมื่ออกุศลมันเข้ามาแทรกมันก็มีความทุกข์เป็นธรรมดาเพราะในขณะที่เจริญกุศลราคะบ้างเข้ามาแทรก โทสะบ้างเข้ามากลุ่มรุมโมหะนี่รบกวนหรือโมหะนี่มาคอยปิดคอยบงังก็รู้อยู่แล้วว่าอากุศลมีโทษรู้ว่าอากุศลนั้นไม่มีโทษทีนี้ความที่ครอบงําอกุศลไม่ได้ไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีพะละกําลังไม่มีคุณธรรมเหล่าใดพอที่จะครอบงําอกุศลได้เพราะั้นเวลาที่อกุศลเกิดขึ้นรู้รู้อยู่ว่ามีโทษแต่ว่ามันแพ้มันยังสู้ไม่ชนะในขณะนั้น อันนี้ก็นับว่าเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความทุกข์ที่ถูกกิเลสครอบงําและย่ยํายีเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นขณะที่อกุศลเกิดนั้นจึงเป็นทุกข์ขณะที่ปฏิบัติแล้วอกุศลเข้ามาแทรกในระหว่างในระหว่างที่มันเป็นทุกข์นี่แหละเรียกว่าทุกข์ขาปฏิปทาเนี่ยนะเพราะขณะที่ปฏิบัตินั้นเป็นทุกข์แต่ว่าเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ในบ้านปลายเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ใน อนาคตเนี่ยนะพันเรียกว่าทุกขาปฏิปทาบางท่านที่ปฏิบัติเป็นทุกอย่างนี้ตรัสรู้ก็ยากกว่าจะได้ตรัสรู้นั้นเนิ่นนานนีนกว่าจะบรรลุมรดผลก็เนิ่นนานอันที่จริงไม่ใช่โทษของคําสอนคําสอนนั้นไม่มีข้อที่น่าตําหนิเพราะคําสอนนั้นเป็นสวากขาโตพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วซึ่งผู้ปฏิบัติตามนั้นพ้นทุกได้จริงแต่เนื่องจากว่าผู้ที่ปฏิบัตินั้นน่ะ ยังไม่ยังถูกอกุศลเนี่ยครอบงาย่ายีบ่อยๆเมื่อถูกอกุศลครอบงาย่ายีบ่อยๆแล้วก็เจริญอนุปัสนาทั้งหลายก็เป็นไปโดยยากแท้อันนี้แหละเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาบางท่านปฏิบัติขณะที่เจริญนั้นกุศลก็เกิดยากอากุศลก็ครอบงาแต่ว่าปฏิบัติแล้วบรรลุได้เร็วแต่บางท่านก็สุขสบายเนี่ยนะขณะที่ปฏิบัติก็เป็นสุข แต่จะถึงจะตรัสรู้ช้าแต่ก็เป็นสุขบางท่านก็ปฏิบัติเป็นสุขด้วยแล้วก็ตรัสรู้ง่ายด้วยอันนี้ก็เป็นบุญของส่วนบุคคลที่สร้างมาไม่ใช่เกิดจากคําสอนไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ต้องการให้สบายแล้วก็ให้เป็นสุขแล้วก็ให้ตรัสรู้เร็วที่สุดเท่าที่จะตรัสรู้ได้ทําอย่างไรที่สาวกไม่ต้องเดือดร้อนทอํายังไงสาวกจึงจะไม่เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและ สัมปรายะพบต่อต่อไปทำอย่างไรสาวกจะปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขโดยส่วนเดียวแต่ที่นี้อย่างว่าแต่ละคนที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวตัตตาเนี่ยนะไม่รู้ว่าไปเปื้อนบาปเปื้อนกรรมอะไรมาบ้างกลิ่นอายแห่งบาปมันก็ตามรบกวนอยู่เรื่อยเนี่ยนะอกุศลกรรมที่เคยกระทํามาก็ตามแทรกในระหว่างในระหว่างอย่างเช่นนิสัยมักโลภมันก็ตามมาแทรกในระหว่างในระหว่างนะก็ บาปที่เคยทําปานาติบาตก็ติดตามมาให้ผลในระหว่างในระหว่างบาปที่เคยทําอทินนาทานก็ติดตามมาให้ผลในระหว่างในระหว่างบาปที่เคยทำกาเมสุมิจฉาจาร์มันก็ตามมาให้ผลในระหว่างในระหว่างทั้งโดยกรรมปัจจัยและโดยอุปนิสัยปัจจัยบางทีวิบากแห่งมูสาวาทที่เคยทําไว้ก็ติดตามมาให้ไรระหว่างทั้งโดยกรรมปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยบางกรรมกรรมบางอย่างที่เคยปิสุนาวาจา สอเสียดเอาไว้มันก็ตามให้ผลในระหว่างในระหว่างบางคนก็บาปที่เคยพฤทสวาจาเอาไว้ก็ติดตามมาให้ผลบางอย่างก็บาปประเภทสัมผัสปลาปะก็ติดตามให้ผลอภิชาการมวิตกเป็นต้นก็ติดตามมาพยาบาทวิตกก็ติดตามมาหรือแม้กระทั่งว่ามิชาทิฏฐิเป็นต้นก็ติดตามมารังควานลายท่านก็ชนะอกุศลเหล่านี้ชนะบาปประกรรมเหล่านี้ทั้งโดยกรรมปัจจัยและโดย อุปริสัยปัจจัยแต่บางคนเนี่ยแพ้ตั้งแต่รังไม่เย่้มเนี่ยนะเรียกว่ายอมแพ้แล้สยบให้บาปและให้อกุศลธรรมเหล่านั้นไปเลยแต่ที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เกิดจากคําสอนแต่เกิดจากความเรียกว่าเป็นความไม่ดีส่วนบุคคลเป็นความเลวร้ายของส่วนบุคคลเป็นตราบาปของบุคคลทั้งหลายที่ติดตามมาจากอดีตสู่ ปัจจุบันทีนี้ถ้าหากว่าปัจจุบันเขาไม่ทําเหตุที่ดีไม่สร้างอุปนิสัยไม่สร้างอัธยาศัยให้ดีต่อไปเนี่ยนะในปัจจุบันนี้อนาคตเนี่ยไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะคือถ้าเหมือนอย่างว่าเมื่อกี้ดูรูปเนี่ยนะถ้าหากว่ารูปอะตอนกดภาพเนี่ยกล้องก็ห่วยสิ้นดีภาพก็เลวร้ายเหลือเกินเนี่ยนะภาพออกมามจะสวยได้ไหมไปทํำยังไงให้เป็นภาพชั้นเลิศมาออกมามันก็ไม่ได้ ชันใดบุญที่เราทำตอนนี้ก็เป็นบุญชนิดว่ากระพร่องกระแพล่งบุญที่เราทำก็เป็นบุญที่ว่าไม่ค่อยมีคุณภาพและผลแห่งบุญในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยจะต้องพยายามหมั่นทบทวนถึงว่าเหตุที่ตัวเองสังสมมาทั้งโดยกรร ม, มะปัจจัยและโดยอุปนิสัยปัจจัยและขณะปัจจุบันที่กาลังทาอยู่เนี่ยนะทั้งโดยกรร ม, มปัจจัยและ อุปนิสัยปัจจัยอัธยาศัยอุปนิสัยในอดีตเราสะสมอะไรมาบ้างดีหรือไม่ดีเป็นคนอัธยาศัยจริงแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าหากว่าเราเนี่ยพื้นเพเดิมเป็นคนที่อัธยาศัยไม่ดีเลยตัวเองตาหนิตัวเองได้บ่อยๆอย่าไปร้องเรียกหาความดีอะไรให้มากมายนะเพราะตัวเองเนี่ยก็อะไรนะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทําเหตุที่ไม่ดีมายากคิดนะว่าเราจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าบาปมันจะไม่เคยไร้ผลหรอกนะนะเพราะถ้าเคยทําอกุศลมาอากุศลมันตามรังควานจนถึงที่สุดจนกว่ามันจะไม่รู้ว่าจนกว่าคุณจะพ้นจากวังน้ําบนของมันก็แล้วกันถ้าคุณยังไม่พ้นวงจรของบาปอากุศลเช่นไม่เกิดในสุขติโลกสวรรค์หรือไม่เกิดในพรหมโลกที่มันจะตัดวังวนแห่งอกุศลและวิบากที่ติดตามมา ถ้าไม่ได้ถึงขนาดนั้นยากถ้ายังอยู่ในวงจรแห่งกรรมมาพบทั้งหลายอาคุศลตามแทรกตามเล่นงานในระหว่างในระหว่างเนี่ยนะทั้งโดยกรรมมะปัจจัยทั้งโดยอุปนิสัยปัจจัยเพราะคนที่ศึกษาธรรมะนะเพราะพื้นเพที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนมีตราบาปติดตัวเนี่ยนะอันนี้กําหนดไว้เลยว่าปฏิบัติเจริญคุณคุณธรรมทั้งน้าตาแ น, น่นอนนะเจริญบวกกับน้ําตาแน่นอนบางครั้งเกิดจากกิเลสตัวเองบ้างบางครั้งเกิดจากสังคมสิ่งแวดล้อมบ้าง แต่ที่แน่ๆแล้วเนี่ยมันก็คือถ้าเราไม่ทําบาปมามจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไงเนี่ยนะถ้าเรามีภูมิต้านทานดีคนอื่นจะเลวเราต้องเลวด้วยไหมเป็นตน้นพันธที่จริงอ่ะก็เกิดจากเราเองนั่นแหละเราสะสมมาดีแค่ไหนอะไรและอย่างไรที่นี้อดีตเหตุมันก็ส่งถึงปัจจุบันผลทั้งโดยกรร ม, มปัจจัยและโดยอุปนิสัยปัจจัยแล้วปัจจุบันเหตุทั้งโดยกรร ม, มปัจจัยและอุปนิสัยปัจจั ย, จจยเราสั่งสมอะไรอยู่ สั่งสมเพื่อให้มีอะไรต่อไปเนี่ยนะนเราต้องการผลที่ได้รับต่อไปในอนาคตนั้นเราต้องการผลเช่นใดเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายเขาจึงมากาหนดที่เหตุทั้งโดยกรรมมะปัจจัยและโดยอุปนิสัยปัจจัยโดยกรรมมะปัจจัยเนี่ยเป็นไปเพื่อสุขโสมนัสยิ้มรับในวันหลังไหมเหมือนเราจัดห่อของขวัญส่งไปให้ตัวเองในอนาคตเนี่ยนะ ถ้าเมื่อไปถึงจุดหมายแล้วเราอยากได้แม้อของขวัญที่เราส่งไปให้เราเองในอนาคตเนี่ยนะไม่ก่อนสมมติว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งขนของไปไม่ไหวก็เอาไปฝากไพรณีน่ใช่ไฝากไพรสเนฝากรอสพอแล้วไปรับของตัวเองกันแหละนะว่าส่งของชนิดใดไปให้ตัวเองในอนาคตพอใจไหมที่จะรับ และของเหล่านี้มั น, ม, นมีโทษไหมมันผิดกฎหมายเป็นต้นไหมนำมาซึ่งความเดือดร้อนให้ในตอนท้ายท้ายไหมอันนี้ต้องมีโอกาสทบทวนให้ดีๆเพราะว่าชีวิตของคนที่เวียน่ายในวัตตะเนี่ยนะกายกรรมที่พูดคือการเซ็นสัญญาที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไปในอนาคตวั จ, จีกรรมที่พูดคือเซ็นสัญญาคำพูดเนี่ยนะเซ็นโดยว จ, จีกรรมแลที่มีผลบังคับใจใช้จริงใน อนาคตและมโนกรรมที่คิดสิ่งที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยมีผลบังคับใช้จริงๆต่อไปในอนาคตทั้งกรรมมะปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยถ้ากรรมมะปัจจัยอย่างเดียวก็ไม่น่ากลัวถ้าอุปนิสัยอย่างเดียวก็ไม่น่ากลัวมันมีทั้งกรรมมีทั้งอุปนิสัยบางทีไม่ใช่กรรมแต่อุปนิสัยบางทีไม่ใช่อุปนิสัยแต่ก็เป็นกรรมบางทีถ้าทั้งกรรมและอุปนิสัยบวกเข้ามาเนี่ยโหเรียกว่ายากว่างั้นนะงานนี้รอดยากว่างั้น ก็เลยอกุศลกลุ่มรมเครียดสามวันแล้วยังไม่เลิกจริงไม่ได้เรื่องไอ้เรื่องไอที่ทําให้เราไม่สบายใจมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องอะไรหรอกเนี่ยนะฝนตกเขาบอกว่าอะไรนะเนี่ยฝนตกเขาเลยเป็นหวัดไม่เคยดูแลสุขภาพเลยมาอ้างฟ้าอ้างฝนมันฝนไม่ตกมันก็เป็นอยู่แล้วล่ะเชื่อเหอะเนี่ยนะเพราะคนมันจะเป็นหวัดอยู่แล้วมันอ่อนแอมากเกินไม่เคยพักผ่อนเนี่ยนะอันลงเรื่องมานั่งน้ำมูกไหลเนี่ยไม่สงสารหรอกนะยังไงก็ไม่สงสารสวดมนต์ไปไอ้แคกๆยังไงก็ไม่สงสาร สงสารทำไมเพราะทำตัวเองเนี่ยนะบอกว่าอูย้ยนี่มันน้อยไปนะที่ถ้าเหตุาหตามถ้าเหตุมันให้ผลหมดนะโอ้นหนักกว่า น, นี้เยอะเนี่ยนะงั้นก็พักผ่อนซะบ้างเนี่ยนะเดินทางไม่รู้ไปไหนนักหนาเสร็จแล้วก็มานั่งสวดเป็นวัดเดี๋ยวปล่อยวัดถวายพระอีกลำบากยิ่งสุขภาพไม่ค่อยจะดีอยู่เล้วดวย นี่ก็ย้อนกลับมาว่าทุกอย่างเมื่อมันเป็นไปตามเหตุตามผลเนี่ยนะตามกรรมและตามผลของกรรมและโดยอุปนิสัยเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอุปนิสัยเนี่ยบางอย่างก็ควรสนับสนุนและส่งเสริมอัธยาศัยที่ดีๆเนี่ยนะเนคขมัติัธ ย, ย, ยาศัยควรส่งเสริมให้มากอัพยาบาตอัธยาศัยคืออัธยาศัยเรื่องเมตตาส่งเสริมไปเลยเนี่ยนะอัธยาศัยประเภทอโลกสัญญาก็ควรส่งเสริมอัธยาศัยที่เป็น สัมมาทิฏฐิฝ่ายรู้ใฝ่มีสติปัญญาเป็นต้นก็ควรส่งเสริมทั้งกรรมสกตาปัญญาและวิปัสนาปัญญาอัธยาศัยเหล่านี้ควรส่งเสริมโดยส่วนเดียวแต่ตรงกันข้ามกามัธยาศัยละได้ก็ละเลิกได้ก็เลิกเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนพยาบาททะยาศัยมักโกรธเป็นต้นละได้ก็ละเลิกได้ก็เลิกปรับได้ก็ต้องปรับละเพราะไม่ปรับเสียหายแน่ทีนมิทธะทะยาศัยเนี่ยละได้ก็ละเลิกได้ก็เลิกเนี่ยนะ นั่งง่วงนั่งหลับทั้งหลายาละได้ก็ละเลิกได้ก็เลิกถ้าเลิกไม่ได้ก็ไปหาที่สว่างสว่างนั่งนะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ยสงสารคนพูดไม่ใช่ลแล้วก็อัธยาศัยประเภทฟุ้งซ่านทั้งหลายละได้ก็ต้องละเลิกได้ก็ต้องเลิก อ, อกุศลธรรมทั้งหลายอัธยาศัยเร็วเร็วเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ละแต่อัธยาศัยดีๆพระพุทธเจ้าให้ ส่งเสริมนี่เราก็มาหมักกําหนดแยกแยะดูทีนี้ในบรรดาอัตยาสายทั้งหลายที่เราเคยชินอะไรก็ตามที่ให้เคยเคยความเคยชินเราจะคิดว่าสิ่งนั้นมันสบายไงอะไรที่เราคล่องแคล่วชํานาญเราก็บอกว่าสิ่งนั้นช่างสบายแท้อย่างคนที่มีกามมัตยาศัยเนี่ยถ้าเข้าไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องวัตถุ ก, กามทั้งหลายเขาบอกว่ามันสบายแต่ตรงกันข้ามถ้ามาพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามเรียกว่าออกจากกามทั้งหลายเขาบอกว่ามันเดือดร้อนแท้ นะช่างลำบากแท้ธรรมะเรียนยากแท้ที่ยากอ่ะจริงๆแล้วตัวธรรมะเองไม่ได้ยากเลยแต่ที่ยากเนื่องจากว่าเขามีแต่กามัธยาศัยมาพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอัธยาศัยของเขาไปหมดเขาก็เลยบอกว่าธรรมะยากแท้แต่คนที่มีอัธยาศัยเนคขมมะอัธยาศัยทางคุณธรรมมีอัธยาศัยทางกุศลธรรมเรื่องอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันยากแท้ทําไมมันยุ่งแท้คําว่างัน้นคือมันจะจะเห็นตรงข้าม เห็นไม่เหมือนกันนี่เราก็มาจับดูว่าเออแล้ววิถีชีวิตของเราเนี่ยเราปรารถนาอะไรการศึกษาธรรมะอันหนึ่งเลยเนี่ยนะก็ต้องศึกษาอัธยาศัยตัวเองให้ให้พบรู้จักอัธยาศัยตัวเองให้พอแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรแต่ที่แน่ๆทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่การมัสสุ ข, ขัลลิกานุโยกเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่ อัตตกีฬะมัานโยกแต่เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักสุเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดยานะแล้วก็เกิดแสงสว่างเนี่ยนะต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดดวงตาปัญญานะต้องเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะ